พวกเราคงจะได้ข่าวเมื่อคืนกันแล้วทั้งนั้นนะพวกเราหลายคนในที่นี้เนี่ยก็เคยสูญเสียพ่อแม่กว่าครึ่งนะหรือว่าเกินครึ่งนะก็คงเคยสูญเสียญาติผู้ใหญ่นะ เช่นปู่ย่าตายายแต่ที่ว่าในที่นี้เนี่ยไม่เคยมีใครสูญเสียในหลวงนะในหลวงราชการที่แปดน ะ, ะสวรสคตก็เมื่อเจ็ดสิบปีที่แล้วนะที่นี่ก็มีคนอายุเจ็ดสิบกว่าอยู่บ้างนะแต่ว่าตอนที่ในหลวงที่แปดแต่เสด็จสวรสคตนี่ก็คงยังไม่รู้ความ คนที่อายุแปดสิบนะตอนนั้นก็ยังเป็นเด็กอยู่อาจจะไม่รู้เรื่องอะไรนะต้องแปดสิบห้าขึ้นไปถึงจะรู้ว่าออเกิดอะไรขึ้นนะเมื่อเจ็ดสิบปีที่แล้วแต่ว่าคนที่อายุแปดสิบเก้าสิบนี่ยเดี๋ยวนี้ก็เหลือน้อยแล้วที่นี่ก็มีน้อยมากนะส่วนใหญ่แล้วนี่ก็ไม่เคย ประสบความสูญเสียอย่างที่เราได้ประสบอยู่ตอนนี้นะก็คือสูญเสียในหลวงคนที่ไม่เคยสูญเสียแบบนี้มาก่อนเนี่ยนะมันก็ต้องทำใจยากนะก็เป็นเรื่องธรรมดาที่จะมีความเศร้าโศกมีความอลไยอาวรณ์แต่ก็ให้เราลองนึกเสียว่าถึงแม้พระองค์เนี่ยจะ อาเสด็จนะไปสวรรค์ ล, ละนะแต่ว่าน้ำพระทัยแล้วคุณงามความดีของพระองค์นะก็ยังประทับแน่นอยู่ในใจเราให้เราระลึกนึกถึงนะน้ำพระทัยหรือคุณงามความดีของพระองค์เอาไว้นะจะทำให้ใจเราเป็นกุศลแล้วก็ทำให้เราเนี่ย อยากจะทําความดีนะที่จริงการที่นึกถึงพระองค์เนี่ยนะมันก็ทําโดยเพราะความดีหรือน้ําพระทัยของพระองค์เนี่ยมันก็จะทําให้เราสึกว่าพระองค์ก็ยังอยู่กับเรานะเรากใ็ใช้น ะ, ะความระลึกนึกถึงเหล่านี้เนี่ยนะนึกถึงความดีน้ําพระแทัยของพระองค์เนี่ยเพื่อขับเคลื่อนให้เรา ทำความดีต่อไปนะนึกถึงความดีของคนที่เราลักเนี่ยเช่นเวลาเรานึกถึงความดีความเสียสละของพ่อแม่เนี่ยเราก็อยากจะทำตนให้เป็นคนดีอยากจะเสียสละให้กับผู้อื่นบ้างนะเวลาเรานึกถึงพ่อแม่เนี่ยเราก็นึกถึงความดีของท่านมันก็ทำให้เราอยากจะใช้ชื่อ น, นี้เป็นประโยชน์ เพราะนั้นเนี่ยทำนองเดียวกันนะเวลาเรานึกถึงคุณงามความดีหรือน้ำพระทยัยที่มีแม่ตาของพระองค์เนี่ยนะก็ให้เกิดความรู้สึกเกิดแรงบันดาลใจนะที่อยากจะทําความดนะีให้กับผู้คน ให้กับเพื่อนร่วมชาตินะให้กับประเทศชาตินะอันนี้แหละก็ถือว่าเป็นการทำหน้าที่สมกับเป็นประสบติกรที่ดีนะของพระองคนะ์ซึ่งก็จะทำให้พระองค์หากว่าทรงมียานวิถีใดๆนะ บนสวรรค์นะก็จะภาภูมิใจอันนี้พูดถึงความเศร้าความโศกก็อย่างที่บอกนะว่ามันเป็นเรื่องที่ธรรมดาเพราะว่าเราไม่เคยประสบความสูญเสียแบบนี้มาก่อนคนที่เคยสูญเสียพ่อนะพอสูญเสียแม่ก็ทําใจได้ง่ายขึ้นหรือว่าคนที่เคยสูญเสียปู่ย่าตายายเนะี่ยพอสูญเสียพ่อสูญเสียแม่ก็พอทําใจได้นะแต่ว่าสูญเสียในหลวงเนี่ย พวกเราส่วนใหญ่ไม่เคยมันก็มีความเศร้าโศกเสียใจมีความอาลัยเป็นธรรมดาแต่ว่าความเศร้าโศกเสียใจมันก็มีข้อดีนะก็คือมันทำให้เรารู้สึกว่าใกล้ชิดกันนะเพราะว่าเป็นเพื่อนทุก์เหมือนกันนะคนเราเนี่ยพอเป็นเพื่อนทุก์แล้วเนี่ยเช่นรู้สึกเศร้าโศกเพราะสูญเสีย คนคนเดียวกันเนี่ยไอความเศร้าโสงเนี่ยมันก็จะชักนำให้พวกเราเนี่ยมาใกล้ชิดกันมากขึ้นเป็นเพื่อนกันนะอันนี้พอเราถ้าเรามีความสุขแบบนี้แล้วเนี่ยก็ให้เราทำดีต่อกันนะที่เคยขุนข้องหมองใจหรือว่าเคยวิบาทบาดหมางกันเนี่ยนะก็ให้ อย่างน้อยก็ยุติชั่วคราวนะเพราะว่าเราก็ต้องระลึกว่าเราก็เป็นเพื่อร่วมทุกข์เหมือนกันตอนนี้เราจะเป็นประสงค์ิกอและเป็นเพื่อร่วมทุกข์แล้วเนี่ยอีกอย่างหนึ่งที่เราเป็นคือเป็นชาวพุทธนะแล้วเมื่อเป็นชาวพุทธเนี่ยเราก็ควรใช้โอกาสนี้เนี่ยในการ พ, พิจารณาความจริง ของชีวิตนะที่คนโบราณเรียกว่าพระอนิจจลักษณะหรือชาวบ้านเรียกว่าอนิจจังน ะ, ะพระอนิจจลักษณะนี่เป็นความจริงที่ไม่มีใครหนีพ้นนะแม้แต่พระพุทธองค์หรือว่าพระอรหันต์ทั้งหลายความจริงอันนี้เนี่ย บางครั้งก็ไม่เป็นที่พึงประสงค์นะโดยเพราะในยามนี้เนี่ยแต่ว่ามันก็เป็นความจริงที่เราต้องยอมรับแล้วก็ทำใจอยู่กับมันให้ไดนะ้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องเจอการนี้เนี่ยพิจารณาแล้วก็ให้เราลึกต่อไปนะถึงคำสอนของพุทธเจ้านะ สมัยที่พระพุทธองค์เนี่ยใกล้จะเสด็จดอกขันปริณิพานเนี่ยก็มีภาษาวกมากมายรวมทั้งพระอานนท์นะก็เศร้าโศกนะหลายท่านก็คร่ำครวญพระองค์ก็ตัดว่าอย่าเศร้าโศกเลยนะอย่าคร่ำครวญเลยเราเคยบอกท่านทั้งหลายแล้วไม่ใช่หรือว่า ความพัดพราความสูญเสียนะความผันแปรแห่งของรักของชอบใจทั้งหลายเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดานะมันเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นสิ่งทั้งหลายที่เกิดมีขึ้นแล้วเนี่ยก็ย่อมเสื่อมสลายไปนะเป็นธรรมดานะเป็นไปไม่ได้ที่จะ ตั้งจิตปรารถนาว่าขอสิ่งนั้นอย่าได้เสื่อมสลายไปเลยนะอันนี้พระเจ้าก็ตรัสเตือนภาษาวกนะเพื่อว่าให้ให้ตระหนักถึงความจริงนะของชีวิตนะที่จริงเป็นความจริงของโลกนะเป็นความจริงของสรรพสิ่งก็คือทุกอย่างมันก็ไม่เที่ยงนะถ้าเป็นของก็ต้องหมดอายุบ้างพัดพรากเสื่อมเสียไปบ้างนะถ้าเป็นคนก็ เจ็บป่วยแล้วก็ล้มตายไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราได้มาประสบกับภาวะเช่นนี้นะแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องที่ไม่ประสงค์ไม่พึงประสงค์นะแต่ว่ามันก็เป็นความจริงที่เราต้องยอมรับนะแล้วก็พิจารณาให้ท่องแท้ ความจริงเรื่องพระนิจลักษณะนี่มันก็เป็นความจริงที่นำความเจ็บปวดมาให้กับผู้คนนะในบางครั้งแต่ว่าก็เป็นความจริงที่สามารถจะนำพาให้เราออกจากความทุกข์ได้ด้วยหากว่าเรารู้จักพิจารณาจนเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งนะอันนี้ก็เป็นเป็นหน้าที่ของชาวพุทธนะที่เรา จะไม่ละเลยโอกาสนี้นะในการพิจารณาถึงความจริงของชีวิตแล้วก็น้อมเข้ามาใส่ตัวนะว่าสักวันหนึ่งเราก็จะต้องจากโลกนี้ไปเหมือนกันเพราะชีวิตของเราก็มันไม่จีรังยั่งยืนและเมื่อเราเลิกเช่นนี้แล้วเนี่ยนะจะทำให้เกิดความไม่ประมาท เกิดสิ่งที่พู้เจ้าตรัสว่าเรียกว่าสังเวชสังเวชหรือสังเวชานีภาษาบาลีนีแปลว่าเกิดความรู้สึกเร่งรีบกระตือรือร้นนะที่จะทำความดีนะไม่ใช่สังเวช ท, ที่แปลในภาษาไทยว่าหดหูนะนนเมื่อเราพิจารณาเช่นนี้เนี่ยแล้วน้อมเข้ามาใส่ตัวเนี่ยมันจะเกิด เรืย่ธรรมสังเวทนะเกิดความกระตือรุ่นเกิดความขนขวายที่จะทำความดีไม่ปล่อยเวลาให้ผ่านเลยไปโดยปราบประโยชน์พูกงาคือเกิดความไม่ประมาทน ะ, ะเพราะฉะนั้นเนี่ยน ะ, อะโอกาสอย่างนี้เนี่ยนะก็เป็นโอกาสที่เราจะได้พิจารณาธรรมไปพร้อมๆกับการระลึกถึง นามบัไทยและคุณงามความดีของในหลวงซึ่งก็จะส่งผลอย่างเดียวกันก็คือว่าทำให้เราเกิดความกระตือรือร้นตื่นตัวหรือเกิดแรงบันดาลใจในการที่จะทำความดีนะสร้างสรั์ประโยชน์ให้กับประเทศชาติหรือว่านะสร้างคุณประโยชน์ให้กับนะส่วนรวมนะ ให้เรานะเปลี่ยนความเศร้าโศก ค, ความเสียใจนะให้มันเป็นพลังสร้างสรงสรค์สิ่งดีงามนะหรือว่าในขณะที่ยังมีความเศร้าโศกเสียใจอยู่ก็ให้ถือว่าคนที่อยู่รอบข้างเราเนี่ยนะเขาก็เป็นเพื่อนร่วมทุกข์เช่นเดียวกับเรามีความทุกข์เหมือนเราควรปฏิบัติกับเขาอย่างเพื่อนนะ ก็คือมีเมตตาต่อ ก, กันนะที่เคยคขุนข้องมองใจกันก็พยายามให้อภัยกันนะไม่ถือโทษโกรกเคืองกันแล้วก็รวมทั้งพยายามให้กำลังใจกันนะเพื่อว่าจะได้มองไปข้างหน้าแล้วความเศร้าโศกเสียใจเป็นสิ่งที่มีได้นะบางครั้งการร้องไห้มันก็ช่วยเยียวยาความทุกข์ความเจ็บปวด แต่ว่าก็อย่าละเลยอย่าจมอยู่ในความเศร้าจนลืมหน้าที่ของเราหน้าที่ในฐานะชาวในฐานะพระสงฆ์ที่ก่ก็คือว่าทําความดีนะลุกขึ้นมาทําความดีนะไม่ใช่ละเลยในการทําสิ่งที่เป็นหน้าที่ของเรานะแล้วก็ก็เป็นหน้าที่ของชาวพุทธด้วยในการที่จะพิจารณา เหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตนะเพื่อปลุกใจให้แม่ประมาทนะให้ตื่นตัวในการไฝ่ธรรมอยากทำความดีและสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่ปลุกให้เราเกิดปัญญาในการที่จะใช้ชีวิตให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็มีความเพ่งแก่ตัวน้อยที่สุดนะ แล้วก็เตรียมรับ